เรื่องบวชแทนพระคุณโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยโมตสาภคะวะโตอาระหะโตสมมาสมพุทธาัาสนโมตสาภควะโตอาระหะโตสมมาสมพุทธาัทาสนโมตสา พขะขาวโตหาละหะโตสมมาสมพุทธศาอภิเจปตมาธายะนาคาโรโอปริปเชอันยังวิหิงเศยยังโรเกอภิรเชนตังวะรังทัมโมสกัจังโสตพโหติ ขอน้อมน้อมแด่พระพู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายแม้ปริภูมิา น, นานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว <c oughs> ขอทำหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความพาสุขทุตุประการ จงบางเกิดดีแต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาความคุ้งามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิกระทาท้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสังซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว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 พูดในหัวข้อเรื่องบวชแทนพระคุณใช้ชื่อหัวข้อเรื่องไม่สั้นไม่ยาวใช้คำว่าบวชแทนพระคุณเนื่องแกกว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่จะเข้าปรรษาเรามารอแล้วบางท่านก็ตั้งออกตั้งใจจะให้ลูกชาย โลกเต่าเหล่าล้านได้บวชแทนบุญแทนคุณบางท่านก็ตั้งใจจะบวชเป็นข้าราชการครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจจะลาบวชบางท่านกระจบการศึกษายังไม่มีงานทำก็ต้องการจะบวชเป็นประเพณีของคนไทยเรา ประเพณีนี้้นย่างลากฟังลึกสู่กลนบึงแห่งหัวใจของคนไทยเรามาอย่างยาวนานและก็เข้มข้นึ่งก่อกำลังจะเจอจางลองในขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนทิศทางไปกับอ่ายุคเทคโนโลยียุคไฮเทคยุคที่เราเรียกกันว่านิกส์นิกนี้ยุนี้กำลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการบวชก่อนเข้าพรรษาบวชก่อนแต่งงานบวชก่อนปฏิ บัตรการงานต่างๆนั้นกําลังเจือจางเจือจางลงในสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมมกกรแห่งกรุงศรีอยุธยาถึงขนาดตราออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาเลยว่าห้ามรับบุตรข้าราชการที่อายุครบบวชแล้วยังไม่ได้บวชเข้ารับราชการถึงกมัมีไว้อย่างนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นในทางพระบรมมหาราชวังก็ดี ก็เป็นพระราชประเพณีมาเป็นเวลานา น, านตว่าตอนที่จ ะ, สะเสวยของที่จะครองราชสมบัติจะต้องบวชเพื่อฝึกฝนจิตให้สมถมั่นคงเนื่องจากว่าความทุกข์ของแผ่นดินคือความทุกข์ของพระราชาจักต้องบวชทำท่าพัฒมิฉะ น, นั้นแล้วจิตใจจะได้รับความทุกข์ทนมนมมองเกี่ยวกับการงานบริหารงานแผ่นดิน เพราะไม่มีอ่าเครื่องมือที่จะทําให้จิตใจได้ทบกับความทุขได้มันมันมันก็คือํานวยต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตให้พบกับความ ร, อรอ้อนเป็นเอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นการเป็นพระราชาในสมัยโบราณของประเทศไทยนี้จึงจะต้องมีการบวชสก่อนรไม่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบัน ร่องก็ได้ออกบวชเหมือนกันแม้แต่พระบรมโอรสาธิราชเนี่ยทางเกาะได้บวชท่าน ท, ที่ยังไม่ได้ครองราชทัานก็บวชเป็นการเตรียมฝึกจิตฝึกใจเพราะฉะนั้นประเพณีการบวชนี่ยสําคัญมากเลยคนโบราณจึงถือบวชก่อนแต่งงานบวชก่อนทํางานทําการบวชก่อนรับราชการ <c oughs> บวชก่อนจะมีย่อมีเรื่อน ก็เป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นผู้ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อตอนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผู้รู้จักปล่อยวางในเมื่อมันหนักมันน่วงมากยิ่งความเป็นพระราชาปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษแผ่นดินขอบเขตอันตรีมามนทนกว้างใหญ่ไฟสามการงานมันหนักน่วงในหัวใจไม่ใช่การงานทางกายแต่ทางกามันหนักเมื่อใจมันหนักใจจะต้องมีพลังที่จะต้อง <c oughs> แบกจะต้องหามภาระอันนั้นภาระของชีวิตที่ภาษาฝรั่งว่า burden of life นภาระของชีวิตนั้นข้อเหตุ น, นั้นความเป็นพระราชาจึงต้องการพลังงานทางจิตคือสมาธิสมถะอย่างมากหรือบางท่านที่ได้สมถะยังไม่พอจเจริญวิปัสสนาจนรู้เท่าเอาทันกบ ไ ม, ไม่ไม่ไม่ย้อนกลับเคินมาอีกเลยดังในเรื่องรารากฏในพระไตรปิฎกเราจะเห็นอยู่บ่อยๆอย่างพระพัติยะท่านก็ออกบวช ก, กับเพื่อนหกคนพัตถยะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะเป็นพระเจา้าแผ่นดิน <oit Clock> พอออกบวชแล้วทำความเพีรยบรบรรลุความเป็นพระอรหันต์ นั่งอยู่ตรงไหนทา่านกบนอูทานพูดง่ายๆว่าอูทานมาว่าสุกนอะสกเนอะกน า, น า, น า, นาเอพระทั้งหลายได้ฟังก่อแปลกใจท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็พูดก็เลยพากันคิดว่าเอชลอยบุุษนี่จะเป็นหมขะบุษจะเป็นโจรในพระศาสนานิสธรรมคือมาลักบวชนี้ความรับผิดชอบขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจหลังยา ม, มาบวชแล้วก็ได้อยู่ แต่กินดีอยู่ดีแล้วก็เลยพบความสุขเพียงแค่นี้ก็เลยบ้นออกมาเ อ, อทานออกมามมลุนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ไปฟอ้องพระสาตด่าพระพุทธเจ้าเรียกเขาพบในธรรมกางสงแล้วก็ถามเดีวยว่านที่สุเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือกรบอกว่าจริงทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่นี้คนอื่นเขาสงสัยว่าเธอเป็นโจรในศาสนาคือรักเข้ามาบวชนี้จากความอารับผิดชอบ แต่เป็นคนขี้เกียจมาบวชชันเช้าเอนชันเพล น, นอนแล้วก็เลยสุกหนอจริงหรือไม่ถ้ <c oughs> าก็เลยบอกว่าออตั้งแต่ก่อนผมเป็นพระราชานะครับผมไม่ใช่เป็นคนทุกข์ยากลําบากปกครองแผ่นดินแต่ในความเป็นพระราชานั้นแม้จะอยู่ในพระบ ร, รมมหาราชวังแม้จะมีคนเอาอกเอาใจอยู่เย็นเป็นสกุกมีคนคอย พันนาวนอบประคับประครองมีคนทำอะไรให้แทนหมดแถมในพระบรมมหาราชวังก็ดีในคอรอบแขกนัทศรีมาก็ดีในชายแดนก็ดีมีกองกำลังทหารในพระบรมมหาราชวังนี่ก็ยังมีทหารทั้งภายนอกภายในอยู่ในป้อมข่ายคูประตูหอเชิงเทินระเบียบหอกดาบเตรียมไว้พร้อมมีกำลังทหารล้อมรอกในกาแพงทั้งภายนอกภายใน แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังบาดวันในพระราชหฤทยัยกลัวสามันตราต่างนครประยุหะแสนยากรยกมาช่วงชิงพระราชอำนาจจิตใจมันไม่ได้เป็นโศกเหมือนอย่างนี้ถ้าบรกว่าอยู่นี่งานต้นเดียวก็ไม่มีเราออกบวชซะแล้วไมมีการลดสึกจะหนักหน่วงต่อสิ่งใดมีเพียงบาทและจีวรเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนจะไปที่ไหนก็ได้ จะบินไปสู่ที่สาขาใดๆก็ได้มีความสุขใก่ไม่ห่วงหาอะไรอาวรห่วงหน้ากำบอนหลังนี้พูดอย่างนี้เพราะานั่นค่ะพระองค์ก็เลยมีความสุขมากเลยยิ่งกว่าความเป็นพระราชาเหมือนกับพระบาลีที่ตั้งขึ้นเมื่อกี้นี่อันเชิญมาเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นเป็นนิเค ป, ปาปดว่าอภิเจปตมาทายอนาคาโรปริปรเช อันยังวิหิงสยังโลเกอภิรัชเชนะตังวังแปลว่าแม้จะออกปวดถือปุ่มบาดดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้งชีพแต่เป็นอยู่อย่างปราศจากการเบียดเบียนชีวิตอย่างนี้ประเสริฐ ก, กว่าความเป็นพระราชาในโลกอภิเจปัตมาทายะอนาคโ ร, รปริภพเชไม่จะออกจากเรือน บวชเที่ยวอุ้มบาตดินขอทานกินเลียชอันยั่งวิหิงสยังไม่มีการเบียดเบียนผู้ใดลโลเกอปิรเชนับตังวารังประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่อันนิสงไปไกลามากแต่ยังไงยังไงก็ตามทหารยังไม่ทราบซึ่งถึงคุณค่าอันนี้เขายังไม่ทราบซึ่งถึงคุณค่าของจิตใจความเป็นอิสระภาพความว่างความปล่อยวาง ก็จะมีความทุกข์บวชอยู่ก็เปโลกประสาทได้อีกเหมือนกันพราะเต็มไปด้วยความอยากไายอยากนีอยากไปเห็นไม่มีการขวนขวายเกิดการแห่งความสงบลำงับทางจิตฝึกฝนสมาธิภาวนาสมถาะาวิปัสสนาไม่ทำนองแกไม่ทำแล้วไม่พูดถึงอีกเลยอย่างนี้ก่อนหน้าเป็นห่วงอีกเหมือนกันว่าจะจะพบความสุหรือไม่อย่างแกงก็สุข กอไก่สออุสุสุกอศุสุกจนเผาสุกจนไหมสุกไปตามภาษาของกิเลสในยูดีกินดีวันไหนไม่ได้ดังนั่นก็มีความคุณเคืองปฏิฆะเป็นทุกข์อย่างนั่นเพราะเหตุนั้นเอทั้งหลายวันนี้เราจะพูดทั้งการบวชแทนพระคุณก็เลยเตลดเิดเปิดเปิงมาถึงการการบูหั ของพระราชาในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลและจนถึงประเทศไทยเราจนมีกฎหมายในสมัยกรงศรียุธยาคนไทยเราถือกันมาแต่พ่อแต่แม่พุทธศาสนาได้อย่างลากฟังลึกสู่แผ่นดินนี้ท่ามกลางใจกลางสวนภูมิเป็นเวลาสองพันกว่าปีมาแล้วไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่พันปีเป็นสอง0ันกว่าปียิ่งใน่าอีสานของเราสกล น, นคร น, ค ร, นครพนมนี่ตัวอย่าง สัญญักษณ์ศักสีศักขีพยานพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเหล่าเนี้ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีความเกี่ยวพันในวิถีชีวิตของผู้ศาสนาในสมัยพุทธกาลแต่ดูหัวอกพระสัตดาได้รวมอยู่ตรงนี้ในกุศลท่าโกนากรรมมณะกะสะปะรอยพระบาทตั้งแต่รอยเท้าถึง ก, กระดูกหัวอกได้มารวมสมกันอยู่บนแผ่นดินภูกำภาแผ่นดินผูน้ำรอดเมืองสกลนครนครพนมนี่ เพราะเหนั้นต่อเป็นอันวา ม, มั่นใจได้เลยพุทธศาสนาได้อย่างลากในนี่มานานแล้วปานเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศิลปแห่งธรรมโดยเราไม่รู้สึกตวแต่มาสมัยนี้กำลังแก้ปัญหากันทางวัตถุกำลังเข้าสู่ความเป็นนิคจิตใจของคนกำลังห่างเหินจากศิลปจากธรรมจิตใจไม่มีที่พึ่งพาอาศัยว้าเวอ้างวางจิตใจ เป็นอย่างนั้นทางร่างกายคับข้องรังไรแต่จิตใจอ้างว้างว้าเวเดียวดายมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะคนไม่มีสิ้นไม่มีทำนัน่งน้าเข้าแม้แต่ตัวเองก็ไม่มั่นใจสถานภาพของชีวิตที่เป็นเๆอยู่ไม่ต้องกล่าวถึงตายแล้วเป็นเป็นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงมีโอกาสจะโกงก็จะโกงมีโอกาสจะเอาก็จะเอาคนอื่นเขาจะทำเราก่อนเราจะต้องทําอย่างนั้นความคิดมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นสมองไปหมดเลยความเห็นแก่ตัว สังจากนั้นก็คิดเลยไปถึงการตายชาตินาถึงจะขึ้นสวรรค์หรือจะตกนรกคิดหาคุณงามความดีของตอนเองมันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่ไม่ทําให้ตนเองเป็นประโยชน์แต่ตนเองและยังไม่ทำให้ ป, ประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเบื้องมองหาทางที่จะขึ้นสวรรค์หลังจากตายแล้วมันก็ไม่มีมันก็เลยกลัวตายเมื่อกลัวตายมันก็เกิดอาการไหลตายนอนไหลตายเพราะจิตใจมันล้ามันทํางานหนักตายทํางานหนัก จิตใจก็ทํางานหนักวิ่งว่อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนนอนเป็นควั น, นกล่นคิดกลุ้มยังไปไม่ได้ยังไม่สว่างกลางวันก็ลุกวิ่งทะเยอะยานไปตามความคิดนั่นเลยว่ากลางวันเป็นไฟเผาเข้าทั้งภายนอกภายในกิเลสแผดเผาหัวใจความเร่าร้อนภายนอก็แผดเผาร่ า, ก า, ก า, ก า, กากงกายในที่สดมันก็ลา้าทั้งกายทั้งใจหลับไปเลยไม่ฟื้นเลยเอิญว่าไหลาตาย <c oughs> เอเยไลยังไงมันไม่มีความสุขนะมีแต่ความสะดวกสบายทางกายมีรถมีเรือมีตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์มีทีวี ม, ม, มีสเตอริโอวีดีโอจะกินร้อนกินเย็นอะไรทําได้นั่นเอิญว่าสะดวกสบายทางกายยังไม่ถือว่ามีความสุขความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกายแต่ความสุขความสงบเป็นเรื่องของใจถ้าใจไม่สงบแล้วต่อให้อยู่บนสวรรค์มันก็เป็นทุกข์ ตกนโลกติดแอตกนโลกบนสวรรค์เหมือนเทวดาในเรื่องอุณหัศวิชัยนั้นนะอา้าวเราก็ไปกัไกลขนาดนั้นเพราะเราจะพูดใงเรื่องการบวชแทนพระคุณการบวชแทนพระคุณพ่อแม่นั้นในที่สุดมก็จะมาตกเป็นพระคุณเป็นอานิสงค์ให้แก่ตัวเราอีกเหมือนกันเพราะงั้นคนโบราณจึงมั่นใจเหลือเกิน ปาฏาริย์ละเกินจะให้ลูกให้เต่าวบวชแทนพักุณในนัน้นนี้ก็น่าจะบวชแล้วบางคนก็ตั้งใจจะบวชบางคนก็ไม่อยากบวชแต่เดือนนี้มันก็เกิดมีโรคใหม่ขึ้นมาพ่อแม่สมัยใหม่มองไม่เห็นว่าลูกแะบวชแทนพักุณได้มีเป็นจำนวนมากแล้ววันก่อนอาตมาไปกรุงเทพเพอกรุงเทพและวนั่นนี้คนกรุงเทพไปอย่างบวชคนหนุ่มๆจบวิศวะมาแล้วจบปริญญามาแล้วก็เตรียมบวชบวช และจะศึกไปทำงานบางคนก็บอกว่าสมัครงานสอบอะไรผ่านได้แล้วยังเวลาจะทำงานก็ขอลาบวชบางคนก็กำลังเรียนอยู่เมืองนอกทำปริญญาอยู่อเมริกาอยู่ไหนหนู่นกลับมาบ้านขอบวชบางคนทางานแล้วก็ลาบวชแต่ก็มีข้อแม่ว่าบวชและะึกสิวันบ้างหนึ่งเดือนบาน้างปัณหาบ้างที่มีบางรายหลายรายเลยทีเดียวแม่พ่อมาเฝ้าอ่อนบ อ, นอยู่ใกล้ เมื่อไรแกจะศึกบอกได้ไหมลูกบอกยังไม่ได้บวชบอกไม่ได้ไปจะศึกเมื่อไหรเอาไว้พูดทีหลังมีบางลายทั้งกับรุนแรงมามาด่าเลยว่าเมื่อไรมึงแกศึกถ้ามึงไม่ศึกแล้ะมึงระวังให้ดีกูจะมาด่าเช้าด่าเย็นในกุตินี่ดูนี่เป็นความรู้สึกของแม่สมัยใหม่แม่ยุคนิสยุคเทคโนโลยีอันสูงส่งนี่เป็นสัอย่างนี้ เดี๋นี่ความเข้าใจของเรามองไม่เห็นคุณค่าของปารตนาคิดว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณอะไรพราะบุญคุณนั้นความจริงแล้วมันก็าะเน้นกันมาที่ความตอบสนองความปาระนาของพ่อของแม่เมื่อพ่อแม่ไม่ปารตนาจะให้ลูกบวชอย่างนี้ก็มองไม่เห็นคุณค่าก็แสดงว่าลูกนั้นในเราคนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อของแม่ที่มีความรักต่อลูกไม่ใช่เพียงสมัยนี้ดอก ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ามีเป็นจํานวนมากลูกอยากแกบวชพ่อแม่ไม่ให้บวชบางหลายลูกไม่กินข้าวกินน้ํานอนสมอยู่เจ็วันเจ็ดคืนจนพร้อมพ่อแม่ทนไม่ไหวก็เลยให้บวชมีหลายหลายในสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าอย่างพระรัชบาลอย่างนี้ยังในสมัยนี้ก็เหมือนกันเมื่อสองปีก่อนนู่นก็มีฝรั่งหนุนม่นมๆจากอาอสเตรเลียนุ่นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัย ขึ้นเครื่องบินบินด่วนมากรุงเทพมาสกลนคร ม, มาฮาตมาจะมาบวชอาตมาถามว่าพ่อแม่อันุ ญ, ญาตได้ยังเขาบอกยังไม่เกี่ยวกันคนเมืองฝรัง่งไม่เกี่ยวไม่เหมือนคนไทยเราอาตมาก็ไม่ให้บวชเเกไม่ให้บวช้แกก็ร้องห่มร้องไห้อ่อนบอลเช้าอ่อนอเยนให้อาตมาให้ใหส่ชุดขาวกมแล้วก็สมาทานโอเบศเทจฝึกสมาธิภาวนาศึกษาพระธรรมไปก่อน รขอให้เขียนจดหมายไปหาพ่อหาแม่แต่พ่อแม่อนุญาตและบวชได้ป้ากว่าแกทำไม่ได้แกบอกว่าพ่อแม่ยังไงก็ไม่ยอมเพราะแม่ไม่ได้ถือศาสน า, าพูดพ่ไม่ได้ถือศาสนาพูดขอบวชเถอะเมืองฝรั่งนั่นเขรับผิดชอบกันเองตัดสินใจเองได้แตมาไม่ยอมยจะมีเรื่องมีลาวก็ให้แกฝึกสมาธิไปต่อมาก็สิบกว่าวันพ่อก็มาตามเพราะพ่อเป็นเศรษฐีคนรวย ร้องหอมร้องไห้ใส่กันเยื่ที่วัดเราต้องไปไก่เกลี่ยต้องไปเทิไปซ้อนไปอ่อนวอนให้กลับบ้านจ้าทเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็มีแต่กล่าวไปใหญ่ถึงสมัยโบราณวันที่ไปเที่ยวกรุงเทพนั่งกล่เหมือนกันเมื่อปลายเดือนที่แล้วกลางคืนครูบาอาจารย์ทั้งกระเลยนให้มนให้อบรมพระใหม่หน่อยท่านอาจารย์สมงพบเข้ามาแล้วก็ดี อยากจะให้พระใหม่ๆเนี่ยที่บวชมาทำกลางสังคมเมืองหลวงจะทำกลางสังคมเมืองนอกลามาบวชมีแต่ปัญญาชนอยากจะให้ได้รู้รสชาติแห่งพระศาสนารสชาติแห่งศีลแห่งธรรมจากพระป่าพระดงนาดมาก็อบรมหาแสดงธรรมคุณค่าของการบวชบวชเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาชีวิตอธิบายไปแล้วเอามาพูดถึงศีลสิกขาจิตศิกข า, ป, กขาปัญญาศิกษา พูจบแล้วก็ผานั่งสมาธิสะเลยพูดเฉยเยไม่รู้เรื่องอาจเข้าเป็นสองชองั่วโมงเช้าเย็นเช้าเย็นเข้าบางคนมีบุญมีวาสนาปรับจิตปรับใจเข้าที่ได้เกิดความโศกความสงบหลงงับโอ้ไม่อยากศึกกลับไปบอกที่บ้านว่ า, อ, าอยากจะมาบอกพ่อแม่อยากจะขอเลื่อนการศึกไปหน่อยรู้สึกว่าการบวชนี้ มันมีประโยชน์มากอาจารย์ท่านมาจากสกลนครได้ลองฝึกสมาธิกับท่านดูรู้สึกว่ามันได้ผลในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็ไม่อยากจะเสก อ, ออกมาแม้ตอนนี้แหละพอแม่มาวัดกันเป็นแท้มาถามครูบาอาจารย์กว่าลูกแกไม่เสกกันวมาเป็นสัย่างนั้นโดยไม่มีความเข้าใจว่าลูกบวช น, นั้นจะเป็นการตอบบุญแทนคนได้อย่างไรนี่มีความเข้าใจเป็นค่านิยมของคน ในสมัยโบราณเขานิยมบวชแล้วแทนบุญแทนคุณได้ในพระอิศานี่เขียนไว้ในใบลานเลยอา น, นิสงการบวชแต่เขาไม่ได้เรียกอา น, นิสงการบอกเขาเรียกว่าสองสองการบวชสองบวชเขียนว่าสงบวชแทนน้ำนมแม่นังซือแทนน้ำนมแม่นี่นมีชกหมู่บ้านทำไมยังเรียกว่าแทนน้ำนมแม่ ในหนังสือหนึ่งสองสองการบวชแทนน้านมแม่สองมาจากเขาว่าฉันหลงผูดเร็วเข้าเลือแต่สองแทนน้ํานมแม่คือการบวชแทนน้ํานมเลือดทุกหยดยาดจากอกของแม่นั้นน่ะคือมาเป็นน้ำํำนมการกองออกมาเลี้ยงเราให้จเจริญเติบโตท่าแต่เกิดมาแล้วเราจะแทนน้ํานมท่านโดยวิธีใดนั่นพอสมัยโบราณนั้นต้องการที่จะคือให้ลูกได้บวชถ้าลูกบวชแล้วสดใจ อย่าน้อยลูกจะได้ประพฤติปฏิบัติทำรู้จักบาปบุญคุณโทษ ร, รู้จักคุณพ่อคนแม่จากความเป็นคนแข็งกระด้างกระโชกหอกห่ากลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวลสภาพเรียบร้อยจากเป็นคนเก็บเมล็เกเรไม่รู้จักรับผิดชอบเช้าหาเย็นเฮกายมาเป็นคนสุขผมลุ่มลึกรู้จักรับผิดชอบต่อการพูดการคิดการทำพ่อแม่ก็สบายใจไม่มีความทุกข์อันใดของพ่อแม่เท่ากับลูกเป็นคนชั่ว ลูกตายจะยังดีกว่ามีความทุกข์ไม่เกินปีหนึ่งค่อยสังสาแต่ถ้าลูกมีความชั่วตีบ้านพานเบื้องรักศกตกคอเหล่านี้เขา่ขาโคกเขา่ตาตะรางตำรวจไล่ไพ่อแม่เป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์แล้วทุกข์อีกตายแล้วตายอีกเพราะลูกเพราะเห็นนั้นความสุขใจที่สุดก็คือเมื่อลูกบวชเหลืองๆ อ, อยู่ในวัดคนโบราณนะ๋ต่นี้ก็เหมือนกันบางคนเขาก็ถือโยกที่ที่ท่านตัางหลายก็คงจะสงสัยต่อไปว่าเอ การบวชนะั้นมันจะตอบแทนบุญคุณได้อย่างไรถ้าเรามองในแง่วัตถุมองในแง่วัตถุอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางเลยบวชแล้วจะแทนบุญคุณยังไงยิ่งบวชแล้วพ่อแม่ก็ยิ่งเสียเวลาไปวัดไปทําบุญถัดตัวเองไม่ไปกลัวชาวบ้านไม่ไปกลัวลูกเต้าของเราจะหิวเห็นไหมละ่ะ นี่เชเวลาทํางานทําการไปใหญ่เลยโน่นถ้ามองในแง่วัตถุมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้วัตถุกําลังขึ้นสมองวัตถุขึ้นสมองวัตถุขึ้นหวัวแล้วหายใจออกมาเป็นนิคแล้วเตียนสนามโรบเป็นสนามการฆ่าอะไรต่ออะไรไปกันมั่วในที่สุดทําอะไรก็เพื่อเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจในเศรษฐกิจมันก็มีการเมืองเอาแหละเศรษที่นี่มันวุ่นวายกันที่สุดที่มองกันในแงว่วัตถุแสวงกันในแง่วัตถุเนี่ย พุทิยาหังกะว่าปมาัมมัโตโภเทติกันห้าหิปันฑิตโตอัทธาปิสมัญญาธีโรบันฑิตโตดิปับุจารติผู้เป็นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ฉลาดสามารถถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านคือมองให้เห็นทะลุออกไปทั้งประโยชน์ที่เป็นวัตถุและประโยชน์ทางจิตใจทางนมธรรมมันจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นจึงจะเข้าใจว่าบวชนี้จะแทนว่าคนได้ ถ้ามองในแง่ ว, วัตถุไม่มีทางพ่อแม่แทนที่จะได้ไปไล่ไปนานแต่เช้าเมื่อน้องนองุ่งจะได้ไปช่วยกลับจะต้องไปจังหันพอลูกชายบวชโยในวัดนั่นเออเสียเวลาไปแทนที่ทะหาบวชแทนคุณพ่อพ่อแม่ลูกหน้าจะได้เอาอะไรดีๆมาให้พ่อแม่กินหาข้าวหาปลาหาอะไรมาเลี้ยงพ่อแม่ตลอดเวลาอย่างนี้นั่นเรามองในแง่ ว, วัตถุ ความจริงนั้นถ้าเรามองในทางด้านจิตใจแล้ว <c oughs> เราจะพบได้ว่าแต่ก่อนพ่อแม่เคยไม่เข้าวัดบัดนี้จะต้องเข้าวัด แ, แล้วเพราะลูกอยู่ในนั้นในขณะ น, นี้เข้าไปวัดนั้นไม่ได้ไปเ ป, ปล่าๆนอกจากให้เวลาที่ตนเองหัวหกก้นขวิดลมลุกคุกคาน นั้นได้ให้เวลาอันดิ้นรนยืแยงสแสวงหานั้นได้หยุดมันลงไปได้เอาเวลานั้นกลายมาเป็นเวลาแห่งการมาวัดในขณะมาวัดนี้ก็หยุดอาการเล่าร้อนได้ได้ได้ให้ทานการให้ทานก็ทําลายความเห็นแก่ตัวเช่นนี้ที่หยาบหยาบออกไปนานๆเขาก็จะกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นความเคยชินเป็นคนมีจิตใจแจ่มใสเปิกบาน เฝือของมากมาจากของน้อยๆของละเอียดก็มาจากของหยาบๆน้ำลึกก็มาจากน้ำตื้นๆคุณเงืมความดีแต่ละเล็กทีละเล็กทีละน้อยก็จะสั่งสมไว้ในหัวใจกลายมาเป็นเชื้อใหญ่ยางในหัวใจกลายมาเป็นอุปนิสัยใจคอขอ ง, ของความเป็นผู้ซื้อสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนีตาปานีบริสุทธิ์สดออกสดชื่นแจ่มใส เห็นโลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยยิ่งขึ้นนั่นคืออันนี้สองทางอ้อม indirect benefit ที่เราจะเห็นได้ว่าการที่มาวัดเอาข่าวปลาอาหารมาให้ลูกเรากินที่มาบวชนั่นก็เหมือนกับลูกได้ลากคอหลักไหมเข้ามาสู่สถานภาพอีกอันหนึง่งบรรยากาศชีวิตอีกแบบใหม่ ได้มาทำบุญสุนทรภัณน์ยังไม่พอได้เห็นพระภิกษุสงฆ์องค์สามมาเนสงบสงเงียมแต่ไม่เกิดความสงบใจท่านเกิดความเบิกบานใจเออเหมือนกับเข้ามาโลกอีกโลกหนึง่งยิงอยู่ในวัดป่าวัดดงสงบรํำงับพระนุ่มเนน้อยอยู่กันเป็นเอกภาพเห็นแล้วก็ น, น่าเชิญชมอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้ <c oughs> แลวก็เห็นตัวลูกของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ความสุขอันใดจะยิ่งไปกว่าความสุขที่โลกเต้ามีการประพฤติคุณงามความดีแล้วยิ่งไปกว่านั้นได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนจากกูบาอาจารย์วัลลาเล็กวัลลาน้อยจิตใจก็จะมีสติปัญญาสั่งสมปัญญาปรมีรู้จักอันนี้เป็ น, ปปนบาเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญ แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงละชั่วปิดประตูอบายปิดประตูนรกสร้างคุณงามความดีเปิดประตูแห่งฟ้องสวรรค์นั่นชำระจิตให้ผ่องใสยังเข้าสู่ธรรมวินัยเข้าไปหาพระนิพพานมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ละชั่วทำดีชำระจิตผ่องใสปิดประตูอบายไขยประตูฟ้องสวรรค์ยังเข้าสู่อมตะธรรมแห่งพระมหานิพพานนู่นมันก็ เหตุอันนี้จะเกิดมาจากที่ลูกได้บวชมันเป็นการดึงพ่อดึงแม่ออกมาจากคุ้มนรกอันหนึ่งต่อแทนกันอย่างนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคิดให้ลึกลงไปคนนั้นเอง <c oughs> ในร่างกายตัวตนของลูกนั้นคือส่วนผสมระหว่างพ่อและแม่เมื่อลูกได้บวชเรียนเขียนอ่านได้ประพฤติปฏิบัติทำสร้างแต่คุญญามความดีในขณะนั้น ก็หมายควาว่าพ่อกับแม่ทั้งสองคนก็ได้พากันบวชแล้วบวชเพราะว่าร่างกายจิตใจของลูกมันได้มาจากพ่อจากแม่นั่นทางอ้อมนะดูให้ดีๆ ด, ดูให้ลึกๆจะไม่เรียก ว, ว่าบวชแทนบุญแทนคุณได้ยังไงเอาที่นี้มาดูทางคุณค่าทางน้ําใจก็ได้สิ่งใดที่ลูกปรารถนาสิ่งนั่น เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องดิ้นลนขอนขวายแสวงหาให้ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเสียงร้องให้จ้าของโลกนั้นคือเสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตพ่อแม่ตั้งแต่ข้อลลกแม่ข้อโลกมาได้ยินเสียงร้องให้ก็มั่นใจว่า ล, ลูกเราเป็นคนไม่ตายแน่ๆถ้าลูกไม่ร้องให้นี่สิเป็นเรื่องราวใหญ่เลยกลัวจะตายมาจากในทลอง เพราะไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเสียงแห่งชีวิตคือเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้เป็นเสียงแห่งความทุกข์นะไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่พ่อแม่ก็รู้สึกดีใจลึกๆว่าเสียงร้องไห้ครั้งแรกของลูกนั้นคือเสียงแห่งความเป็นผู้มีชีวิตของลูกหลังจากนั้นพ่อแม่ประคับประคองเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ลูกยังพูดไม่เป็นพ่อแม่ก็อาศัยเสียงร้องไห้ของลูกนี้แหละ เป็นภาษาพูดภาษาใจของลูกเวลาใดลูกร้องไห้เวลานั้นเหมือนหัวใจจะแตกสลายว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกลูกต้องการอะไรลูกยังพูดไม่ได้ว่าไมจา่จ๋าพ่อจา๋าอยากได้ไอ้นโน้นอนันนี้ทำอันโน้นให้หนูทียังพูดไม่ได้ก็ต้องใช้เสียงร้องไห้นั่นแหละเป็นสนนัญญาณเสียงร้องไห้เป็นภาษาแห่งหัวใจของลูกที่กาลังแบเบาะไม่รู้เรียนสา พ่อแม่จะรีบประการแรกเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ถ้าอยู่ในเปลนอนแม่จะรีบไวกวแ่งเปลหรือพ่ออยู่ใกล้พ่อก็จะรีบไกวเปลโดยเข้าใจเอาเองว่าลูกคงต้องการให้พ่อแม่ไกวเปลให้เกิดความสบายให้เกิดความสุขคือพ่อไม่เอาอกออกใจทุกอย่างเลยถ้าหากไกวเปลแล้วลูกยังไม่หยุดร้องไห้แสดงว่ายังไม่ถูกใจ ลูกของปราธนาสิ่งเ อ, อิญนอกจากปล่ยเปไปไม่มีทางเลือกพ่อแม่ก็จะประคับประคองอุม้มออกมาจากเปยปากก็พูดพ่ำลำพันทั้งขายาวทั้งลกูกทั้งคำพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทุหัวลูกดวงตาดวงใจของแม่นี้จะถ้อยคำดีๆเอาใจต้องการอะไรเอามือคำดูเนื้อดูตัวถ่าร้อนก็แสดงว่าลูกเป็นไข่หาอะไรมาแค่ อ้อมอยู่ในอ้อมกอดเออลูกหยุดร้องไห้หัวใจของพ่อของแม่ชื่นใจด้วยความสุขว่าบัตรนี้ได้เอาใจลูกถูกจุดเสียงร้องไห้ของลูกแต่ละครั้งนั้นบ่งบอกว่าพ่อแม่จะต้องรีบเอาใจให้ถูกคิดดูสิท่านเอาใจเรามาตลอดเลยเวลาใดหยุดร้องไห้เวลานั้นพ่อแม่ก็มีความสุขใจว่าเอาใจลูกได้ถูกต้องแล้ว บางคนยิ่งกว่านั้นลูกโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยขัดใจเลยเอา้าวใจตลอดเอาใจตลอดในที่สุดลูกก็เลยได้แตก ใ, ใจเอาแตกใจพ่อแม่พูดอะไรนิดอะไรหน่อยขัดใจนิดเดียวแหมเป็นทุกข์ที่สุดเลยเพราะถูกเอาใจมาจงเคยชินวันก่อนโยงมฟังเทศจบแล้วก็ร้องไห้มาแหมอาจารย์ช่วยที่เธอร้องไห้พูดไม่เป็นสัพ์เป็นภาษา อาตมาก็สงสารร้องไห้ทำไมยอมหยุดก่อนที่พูดกันไม่รู้เรื่องแกก็ยังร้องไห้สะอึกสะอึกก็บอกเออเอาอย่างี้สิหายใจละเอียดยาวๆลึกๆข้าวลึกๆออกไม่เกินสามทีอันที่มันสะอื้นอยู่เดียวมันก็จะหยุดแกก็ทำตามทำตามก็สะอื้นก้อนอ่ะมันเป็นจกคอนนั่นก็หายไปแล้วแกก็พูดโอ้ยเอ็ดเนื้อเลือดลูกผูกขานั่น มันตายไปชิบขวามื้ออยู่บอกให้ผู้ค่าให้ห้องเอ็ดเนลเลอว่าท่านเป็นพี่น้องชาวโพวไทยอาตอมาก็เลยถามว่าเป็นยังหรือเพิ่งตายคู้ขอตายอยู่ว่างั้นผู่คอตายเป็นผู้จบผู้งามแทเลเอ็ดเนลเลอร์เอ็ดเป็นเข็นแล้ววัตัวอันผูเนวอันแม้บอกให้ไปทอดพระป้าเมืองน้นนําเพิ่นตือต้อๆหือเธอเดี๋ยวตอนนั้นลูผู้คอตายกําลังจบกําลังงามเห็นไหม พ่อไม่เอาใจมาตลอดเลยเอาใจจนไม่เคยขัดใจพี่ยังขัดใจนิดเดียวไม่ให้ไปทอดผ้าป่ามันไกลลูกเอ๋ยจังหวัดหน้านู้นเสียเงินเสียทองพ่อแม่เป็นห่วงไม่ได้ไปกับเพื่อนผูกคอตายพ่อแม่ก็ทุกข์ต่อไปเลี้ยงลูกก็สุดแสนจะทรมานทรมกรรมกว่าจะเจริญเติบโตมาโตมาแล้วขัดใจนิดเดียวผูกคอตายให้แม่ร้องไห้ นาสงสารแม่แท้ๆมีแต่คุณงามความดีมีแต่ให้ให้ให้เพราเหตุนั้นและท่านนั้งหลายการบวชจะเป็นการตอบแทนคุณได้โดยประการใดท่านลองคิดดูเพราะพ่อไม่เอาใจเรามาตลอดแต่ทนี้พ่อแม่อยากจะให้เราเอาใจท่านตางคือท่านอยากจะให้เราบวชเนี่ยประมวลมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนป่านเนี่ยพ่อไม่เอาใจมาตั้งแต่คลอดออกมานะเอาใจเราเสียงร้องให้จ้านั่นคือเสียง ร้องทุกข์ของลูกเสียงปาธนาแห่งหัวใจของลูกพ่อแม่จะต้องเดาเอาเองว่าลูกปาธนาอะไรอยากได้อะไรอยากให้ทำอะไรทาจนลูกหยุดร้องไห้แสดงว่าถูกใจคำทุกจบพอโตมาพูดได้ยังชั่วหน่อยลูกอยากได้อะไรรีบหาให้ไม่ต้องรอให้ร้องไห้โตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากได้ลูกอยากได้เมียอยากได้ผัว ครอบแม่ก็จัดแจงให้ยังไม่พอทรัพย์สมบัติ ม, มั่วไปนี่พราะคนของท่านมากคนโบราณนั้นไม่มีอะไรหวังมากไปกว่าที่จะให้ลูกได้บวชเพราะเห็นวิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้ลูกสํานึกถึงคุณค่าของพ่อของแม่เพราะในเวลาบวชนั้นจะได้ศึกษาจะได้ฟังครูบาอาจารย์จะได้ พอบรมจิตใจตนเองให้สงบลำงับแล้วก็มาเพ่งดูความจริงจึงจะรู้จักซาบซึ่งนน่นบางคนมีลูกแล้วจึงคิดถึงบุญคุณพ่อแม่มีลูกแล้วเห็นตนเองเลี้ยงลูกลําบากก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่แต่ถึงขนาดนั้นหัวใจก็ถูกแบ่งให้ลูกถูกแบ่งให้เมียบางทีลืมหมดเลยรักลูกรักเมียจนลืมพ่อลืมแม่ แต่การบวช น, นี้ไม่ได้แบ่งหัวใจให้ลูกให้เมียไม่ได้แบ่งหัวใจให้ใครทั้งนั้นโยขัวใจทุ่มเทไปที่การปฏิบัติธรรมคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่การอดทนทางตายทางวาจาสงบใส่เงียบโดยการเป็นผู้มีสิน้นต่อมาขณะการก็ฝึกจิตให้หยุดใต้อำนาจให้มันสะอาดสว่างสงบด้วยสมาธิภาวนา อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นหมู่เป็นคณะท่านพาฝึกัาหลังจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็เอาจิตชนิดที่มันสงบไม่หิวโหย้ยอารมณ์ใดๆไม่กระเพื่อมจิตสงบจิตก็ส่องลงไปดูความจริงเห็นสิ่งใดที่มันสกปรกในจิตก็เคลียออกมาสิ่งใดที่มันดีงามบริสุทธ์ก็รักษาไว้เมื่อมันแจ่มใส มันมันมันมันมันมันบริสุทธิ์จิตรู้จักอายชั่วกลัวบาปแล้วบริสุทธิ์แล้วเริ่มสงบสงบก็เพ่งดูก็รู้จักโออฉั้นทําอย่างโน้นอย่างนี้กับพ่อกับแม่ไม่ดีไม่งามเลยน่าเสียใจบางคนบวนแล้วมานั่งเป็นทุกข์เสียใจเมื่อเวลาจิตสงบนึกถึงบาปที่ตนเองได้ทํากับพ่อกับแม่เนี่ยถ้าไม่เป็นทุกข์อามากๆ ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอาดีตผ่านไปแล้วปล่อยมันไปอย่าหลงเข้าไปในโลกแห่งอดีตแล้วก็อย่าหลงทะเยอะทะยานไปสู่โลกของอนาคตจงอยู่กับโลกแห่งปัจจุปันนันจโยเะเยธรรมัง ต, ะตะัะตถาวิปัสสติเห็นสภาวะธรรมสภาพแห่งจิตใจในขณะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคิดถึงเรื่องราวอาดีตเป็นทุกข์ ว่าเราได้ทำไม่ดีไม่งามคูบาอาจารย์ทั้งรคอยซ้อนประคับประคองว่าเอออย่าไปเป็นทุกข์ตมันให้อภัยมันไปไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องย่อมได้ผ่านความชั่วกันบ้างพระโมคขลาประสารีบุตรพระองคุลิมานานางคุณทนเกษีนางปตานจาระเราจะเห็นได้ในทูเรนิทานในชาดกต่างๆท่านเหล่านี้ก็เคยทาชั่ว นางพิศณีบางคนเป็นพระ อ, อรหันต์ก่อนนั่นได้ฆ่าผัวตัวตัวเองอย่างนี้เราเองได้ล่วงล้ำกรรมเกินคุณพ่อคุณแม่มาแล้วในอดีตผิดมากแต่บัดนี้เราจะไม่ทำอีกสำนึกทำใจที่มันเศร้ามองเพราะอารมณ์ในอดีตนั้นให้มันบริสให้มันสงบแล้วก็เพ่งลึกลงไปถึงความเป็นจริงเรียกว่าพัฒนาจิตแล้วก็สู่การพัฒนาปัญญา มันก็จะมีความถูกต้องทางกายวาจามีความถูกต้องทางใจมีความถูกต้องทางสติปัญญาไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้บัตดนี้จะรู้ในสิ่งที่เราหลงหลังจากนั้นจึงจะรู้ความริงในความรู้อีก้อนตนเองออกมารู้จักคุณค่าของศาสนารู้จักคุณค่าของการบวชของสิ่งของธรรมและเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเอพ่อแม่เอาใจเรามาตาลอด แต่สิ่งที่ท่านปาถนานั้นเราน่าจะเอาใจท่านบ้งการเอาใจท่านนั่นแหละให้ท่านมีความสุขเป็นการตอบแทนบุญคุณบุญคุณที่ท่านสร้างไว้กับเราอย่างใหญ่หลวงคือท่านได้เอาใจเรามาตลอดตั้งแต่เสียงร้องไห้อันดับแรกจนหยุดเสียงร้องไห้ครั้งสุดท้ายลูกใหญ่เจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดเสียงร้องไห้แล้วพูดกันด้วยภาษาคนรู้พ่อแม่ก็ยังเอาใจมาตลอด บัดนี้ท่านต้องการให้เราเอาใจท่านบ้างคือให้ปวดเพื่อจะได้รู้จักคุณ่าของบุญคนพ่อแม่คนโบราณลูกร้องไห้เป็นทุกสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าําป่าแม่สมัยก่อนต้องตักน้ําต้องตําข้าวต้องฟ่าพื้นตําข้าวโดวยคกมองคกกาเดืองอุ้มลูกหา ของใส่บา่าอุ้มลูกใส่เอลไปไร่ไปนาทุกยากลำบากแท้ๆยามลูกร้องไห้แม่ทุกยากลำบา ก, า ก, ก, า ก, บากไกวลูกให้นอนกลมลูกด้วยบทเพลงฝากความหวังเอาไว้อืมอืมอื ม, อ ม, อ ม, อ ม, อมนอนสลายลาับตาแมสิกม คำเพลงไม่นี่เอ่ยคำเพลงไม่นี่เอ่ยแม่ไปให้เสียเอาไข่มาฮะพอไปนาเสียเอาป่ามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเขาป่าสวนมอญเด็กอ่อนซ้อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง้มไตกระบอ벙 เสียงท่อมๆขี more, ่เหนียวใส่แม่เสียงลูกน้อยแม่นมัญญาพันสาพ่ออยากพาลูกผัวไปบวชสร้างพนนวดไม่สาธนาเจ้าเง่มาให้เจ้าไปไหว ขันเป็นท้ายให้เจ้าไปบวชได้โว้นในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก้ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมลูกเหล่านี้นสะท้อนออกถึงชีวิตสังคมของชนบท ชีวิตที่แท้จริงที่พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยความยุ่งยากลำบากมากนักและความหวังที่พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกได้เอาใจครั้งสุดท้ายคือให้ลูกได้บวชตอนแรกสแสดงออกถึงชีวิตแห่งกเกษตรกรรมพอไปให้เสียเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาป่ามาป้อนสแสดงว่าชีวิตผูกพันอยู่กับไรนาสาธท เลี้ยงลูกด้วยความลำบากแม่เลี้ยงหมอนเข่าป่าส่วนม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลูกมันเติรนลูกน่อยหายง่อมเตะกระ บ, บองเสียงท่อมๆขี่เหนียวซสแหนในช่วงนี้แม่ก็บ่งบอกขึงหน้าที่รับผิดชอบการหาอาหารมาเลี้ยงตนเองเลี้ยงลูกการหาเครื่องนุ่งห่มพ่อแม่ต้องต้องปลูกฝ้ายต้องปลูกหมอนเลี้ยงไหมต้องปั่นได้ต้องเข็นฝ้ายต่ําหุ สมัยก่อนมันไม่เยรเริญไม่มีโรงงานเทคทายโรงงานถอผ้าต้องทำเองมัดหลังอย่างนั้นลูกร้องไห้กลางคืนไม่มีไฟฟ้าใต้กบบระบองขี่ราดเยี่ยวรถพ่อแม่เดึกเดินเดือหนาวลูกเหนือห่อยหาย้บบอมเตะกระบอกเสียงท่อมขี่เงียวแสแม่นี่คือสภาพแห่งชีวิตที่แท้จริงในสมัยโบราณหลังอย่างนั้นพ่อแม่ก็รันทด น้อยใจในโชควาฒนาที่เกิดมาอาภพลำบากแต่ก็เต็มใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยความทุกข์ยากเรียงลูกหน่อยมันมันอยากมันซาพ่ออยากฝาลูกพัวไปบวชสั่งผนวดไม่ศาตนาลำพึงลำพันสะท้อนออกมาเป็นกระจกเงาของอดีตให้ลูกได้จดจำลํำลึกเอาไปคิดเมื่อเจริญเติบโตเพราะม่มีลลำบากในการเลี้ยงลูก อยากจะทิ้งลูกไปบวชให้มันสบายใจในพระศาสนาแต่แม่แต่พ่อทำไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกต้องเลี้ยงลูกให้เจริญเติบต่อความหวังของพ่อของแม่ก็เลยระดมทุ่มเทไปที่ลูกวะเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปไหวยหมายถึงความเป็นผู้หญิงให้ไปไหว้พ่อไหว้แม่โตมาแล้วรู้จักไหว้พ่อไหว้แม่ขันเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิงหนวดในศีลในธรรม ได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ดังกล่าวแล้วท่านหวังที่สุดให้เราได้ปวดแทนคุณไดล่าท่านขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูอาบายสอนพ่อแม่ถ้าสอนไม่ได้ก็ไปบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ดีๆพ่อแม่จะเด็กไปใกล้ๆสำนักครูบาอาจารย์จะเด็ฟังท่านจะรู้จักอายชั่วปิดประตูอาบายแม่ทาชั่ว ปูว่าบาปสร้างคุณงามความดีเปิดประตูแห่งสวงสวรรค์พันจะได้พาทำสมาธิภาวนาอบรมบ่มในใสัยจิตใจสงบรำงับอย่างเข้าสู่ธรรมวิ น, นัยคือความดับลงแห่งความทุกตัณหาอุ ป, ปาทานไปสู่พระนิพพานมันไปเป็นลำดับลำดากันอย่างนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเราก็เลยมาบวชเพื่อเอาใจที่ท่านวัง แต่ในนี้ไม่แี่พ่อแม่สมัยนี้ไม่ต้องการให้ลูกบวชต้องการให้ลูกเป็นเจ้าเป็นนายมีเงินเดือนสูงๆต้องการให้ลูกนี่จบปริญญาทำหน้ า, นาที่การงานแม่แต่การบวชครูบาอาจารย์สมัยนี้ประชุมกันสามวันสามคืนก็ไม่พูดถึงเรื่องการบวชเพื่อจเจริญให้สินในธรรมมีแต่สอนว่าให้บวชอย่างเก่งก็ให้มาเรียนนักธรรมตีโทเอกมาเป็นมหาหลังจากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยสง สองแห่งมหามกุฎมหาจุฬาบุญนําบาวศรนาสรงจบปริญญาเรึกมามีงานทำจบแค่นั้นไม่ได้พูดเลยไปก่อ น, นั้นว่าเออจบปริญญาทางทำทางศาสนามาอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาให้ดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยแกเพื่อนร่วมทุกเกิดแกเจ็บตายเสื่อถอดอายุประสาทนาโอ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นคนโบราณแม้แต่จะตรวจน้าลงในแผ่นดิน ก้โพูดพกขาหยาดน้มไม่ขอมพูดสีขอไข่มีบุญหลายาให้มีความสุขเรื่องคนทางขายเดือนดาวฝาฝนล่มพร้อมพำ ม, มกาโยฝ่าพงขาทรงไปขอให้ได้ลูกแก้วโพประเสริฐบนญนี้มีจะคุณความดีบวชเป็นเงาคู่เจ้ามนีพลาไงกวางคนทางหลายได้ไพ่พงอารามหลวงไงกวางเลื่อล่าทัวแดน ปานาให้ลูกได้บวชเป็นพวกมีบุญมีคุณวัดวาอารามใหญ่โตคนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยนู้นคนบราณของเราแต่ดีนี้ประชุมกันพระรง์องค์จ้าก็ไม่ได้ผูกโอ้แต่เรื่องเรียนนักจบบุญนำพาวานาทรงกบปริญญาศึกมามีงานทำจบเท่านั้นหน้าสงสารเหลือเกินเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันโยมก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ยิ่งก็อยากจะให้ลูกบวชพอจิมดูทักห้าวันสิบวันสิบห้าวัน สามเดือนอย่างเก่งสามเดือนนี่ก็ยังดีนะสิห้าวันก็ยังดีเป็นการสืบพ่อพระศาสนาบวชมาแล้วได้ฝึกได้อบรมนี่มันจะตอบบนแทนคนุณได้เป็นการเอาใจพ่อแม่แต่นี้ลูกดมกลงดมกลาวเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อแม่คงไม่ได้กล่อมให้ลูก เจ้าโห่มาให้เ hmm. จ <Yeah. S 1> mm ้าไปบวชได้หนุนในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึนสวรรค์ สมัยนี้ถ้าจะกอมใหม่เจ้านีม่มาให้เจ้าดมกล่าวไงเป็นเบาไปเสือกาวมาดมอย่างนี้หรือเปล่า ก, ก็ไม่ทราบอาตก็ยังคิดอยู่ไม่ได้มาจากไหนแต่ก่อนยังไม่เคยเห็นมีใครดมกาวเดี๋ยวนี้ไปไหนเห็นแต่กระป๋องกล่าวาาาอาธบารออกก้อนไม้มาจับได้แล้ว ใ, ใจไม่ได้ เมาแล้วฆ่าพ่อตีแม่รักศกตอกหอไม่มีสติสัมปชัญญะลาออกจากความเป็นคนเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานฆ่าพ่อตีแม่ได้นั้นมันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่แสดงว่าเมาแล้วมันเหลื่อมดเอาที่นี้เราก็เลยต่อไปว่าการบวชนี้จะตอบแทนบนคนพ่อแม่ได้ดังนี้คือทางตรงทางอ้อมทําอย่างน้อยทําให้พ่อแม่ซึ่งอยู่ในตัวเราพ่อแม่ได้รวมกันเป็นเราได้บวชกับเราด้วยได้สร้างคุณงามความดี สู้มาก็ออยังให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้สร้างฐานะบา ร, รมีศีรละเวลาให้เวลาเป็นทานให้อาหารเป็นทานมาวัดมาวา ล, ลูกเราอยู่ตรงนี้ที่ได้สร้างฐานะบา ร, รมีสังสมอบรมนิสัยปัใจัยให้แก่ท่านใ้ไก่วัดไกว่วาในวันพระท่านอาจจะมาจาศีลสั่งสมศีระบา ร, รมีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เช้าคำ่ำ เฮ้ยอย่างน้อยวันพระหนึ่งครั้งหนึ่งในที่สุกสะสมปัญญาปารามีรู้จักอายชั่วกลัวบาปปิดประตูอาบายซะเลยนี่ที่นี่อิ่วลึกลวมาอกีกบางท่านยิ่งกว่านั้นไม่มีใครเลี้ยงโดอยากจะให้ลูกบวชไม่มีใครเลี้ยงโดบางท่านไม่อย่างนั้นลูกบวชแล้วปฏิบัติธรรมไปอยากสึกสงสารท่อมเห่ทุกข์ยากลาบากอยากจะไปช่วยท่าน ทำงานทำการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สาธุนาอนุโมทนาแต่ส่วนมากออกไปไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุผลของเกเสในทางอ้อมออกไปนู่นไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกซามากกว่าที่จะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระของเราที่บวชเนี่ยถ้าหาพ่อแม่ทุกยากลำบากไม่มีใครเลี้ยงดูท่านยอมให้บินทบาทมาเลี้ยงพ่อแม่กินได้แล้วตนเองกินเดนของพ่อแม่ก็ได้ มีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกในมหานิบาตาบุพจริยาของพระพุทธเจา้าในเรื่องสุวรรณสามัน่นท่านปรากเหตุที่สุองหนึ่งอยากศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็เลยถามเรื่องของเรื่องเล่าไว้เอาไว้ว่าดภิกษุองค์หนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์ร้อยแปดสิบ180กอ วันหนึ่งได้ฟังเทศของพุทธเจ้าแล้วเกิดเริ่มใสยอยากจะบวชอย่างยิ่งก็เลยมาขอลาพ่อแม่พ่อแม่แมไม่ยอมให้บวชลูกเอ้ยลูกเป็นดวงตาเป็นหัวใจพ่อแม่มีเจ้าคนเดียวอยู่กับเจ้าถ้าเจ้าแม่ตายพ่อแม่ไม่ยอมให้เจ้าพัดพากไปดองอยาบวชเลยลูกเอ้ยอยากจะทําบุญทําทานเท่าไหร่ทาไปเธอเอาบุญพ่อแม่มีเจ้าเท่านั้นแต่ลูกนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพอได้ฟังเทศอา น, นิสงส์แห่งการบวชที่พระศาสดาภรณนาคุณค่าแห่งการบวชก็อยากบวช พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยมีอายุอยู่เป็นแสนปีเกิดมาอีกแสนชาติกว่าเพียงเท่านี้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้สิ่งใดไม่ปาธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ไม่ว่าเราจะเป็นราชามหากษัตริย์ยาจกคนยากจนมันเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตายจะเกิดอีกเป็นแสนชาติก็เพียงเท่านี้ให้ลูกบวชเถิดพ่อแม่ไม่ยอมลูกไม่ยินข่ากินปลาเลยเจ็ดวันตายดีกว่าพ่อแม่ก็เลยปรึกษากันใหม่ถ้าอย่างนั้นให้ลูกบวชดีกว่าดีกว่าให้ลูกตาย ลูกดีใจลูกขึ้นอาบน้าอาบผ้ากาผ้าพ่อแม่ก็เข้าสู่วัดครั้งแรกไปขอบวชแน้วปุะจ้าไม่ให้บวชเพราะพ่อแม่ยังไม่ยอมไม่ว่าก็ปวดบวชอยู่กับปุถะเจ้ากับพระอุปชาห้าปีจบอย่างนั้นไปทําความเพียรอยู่ในป่าประจันตประเทศชายแดนอีกสิบสองปียังไม่บรรลุทับส่วนผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นเมื่อลูกชายไม่มีคนดูแลทรัพย์สมบัติคนรับใช้คนที่เป็นเสมียนคนที่รักษาคัง รักษาสิ่งของมันก็โกงเอามันก็ลักเอาขนไปคนมาไปม า, ปมาหมดเนื้อหมดตัวบ้านช่องห้องห้อมมีอยู่ไปยืมเงินเพื่อนเอาไปมาไม่มีเงินใช้เขาก็มาเลนหลังเขาก็มายึดจากคือหาดมานอนกระท่อมจากกระท่อมไม่มีที่ดินจากที่ดินไม่มีกระท่อมไม่มีถึงกระลาขอทานชีวิตอาภัพกลายเป็นเศรษฐีอนาถาตกยากสิบเจ็ ด, ดปีที่ลูกบวชไปพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัววันหนึ่งพระทุกส่วนนมทาความเพียรอยู่ในป่านั้นได้มีพระ เทระเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีก็เลยได้ถามว่าท่านมาจากไหนมาจากสาวัตถีก็เลยถามว่าพระสาวตาดาภิกษุสาวกทั้ทงหลายยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แลหรือผมจากมาสิบสองปีแล้วพูดด้วยความเร็วสูงเวลามันจะหมดก็พร<ม>าว่าเออพระสาวตาดาพระสรา พ, สพกทั้งหลายอาคาสาพกหมกอัลลาซาเลพุธยังอยู่เย็นเป็นสุขและท่านอยู่สาวัตถีท่านรู้จักตระกูลโพวาภิกไหมท่านอยู่เย็นเป็นสุขกันไหมเศรษฐินั่น ท่านก็เลยบอกว่าท่านอยาถามหาตระกูลนี้ได้ไหมทําไมล่ะขอให้เล่าให้ผมฟังท่านรู้จักไม่รู้จักตระกูลนี้มีลูกชายคนเดียวลูกชายออกบวชพ่อแม่เป็นเศรษฐีแม่มีใครใดูแลสิ่งของเดียวนี้ยากจนเขาลักเขาขโมยเขาเอาไปหมดเดืยวนี้สองผัวเมียพากันขอทานตามตอกซอกซอยผมไปบินธบาตตอนเช้าบางวันก็เห็นขอทานอยู่ซอยหนึ่งวันหนึ่งเห็นอยู่ซอยหนึ่งพระภิกษุหนม่มได้ฟังดังนั้นไม่สามารถที่จะ กลันน้ำตาไว้ได้ร้องไห้โฮออกมาโอ้พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทุกยากลาบากพ่อลูกแท้ๆจนต้องเป็นคนขอทานแต่คุณเน้นหาเสื้อผ้าใส่ไม่มีและท่านอย่าถามหาเลยที่สุองค์นี้ท่านร้องไห้ใหญ่เลยแล้วก็เลยถามว่านี่ท่านร้องไห้ทําไมที่สุดนี้ก็เลยบอกแกพระเถระวะ่าที่ท่านเล่าให้ฟังเศสกที่นั้นคือพ่อคือแม่ของผมผมนี่แหละคือลูกชายของท่านผมจะลาศึกล้วครับในวันนั้น ลุ่งขึ้นท่านก็เลยมอบวัดที่ท่านอยู่มาสิบสองปีให้แก่พระเถระผมจะเดินทางกับสาวัถีเป็นลาพระศาสดาศึกไปทํางานทําการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของผมผมทำให้ท่านทุกข์ยากลำบากถึงขณะนี้ว่าแล้วท่านก็ลาพระเถระเดินทางกับพระเถระก็บอกสอง่งเออไปเถอะคุณศึกไปเลยผมสงสารเลยเกินสมเพรทนาครอบครัวสองตายายทุกอยาก่างเลยเกินเสื่อผ้ากอคาสคาทานันเอาเขาทิ้งตามถังขยะอยามานุโมหอม ทนันกะยิ่งเพิ่มความทุกข์ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยในที่สุดท้ายที่สุดนลวงก็เดินทางกลับถึงเมืองสาวัตถีไปสาวัตถีจะไปหาพ่อหามแม่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปกราบไปไหว้ทันตะก่อนเราก็จะได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นในโลกเป็นหมื่นๆปีได้ไปฟังธรรมครั้งสุดท้ายขอลาเสร็จก็ไปหาพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าหันกล ฟังแล้วเข้าใจเอามือลูบหัวโอ้โหลูกเอ้ยอย่าศึกไปเลยฮีนวัดตังเวียนสูเพศอันต่ำการบวชนี่เป็นอุดมเพศเอาเธอเธอจงไปบินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอนุญาตพี่สุนนั่นดีใจมากน้ำตาไหลเลยไปบินทบาทในเมืองได้เข้าต่มไปจากโรงครัวไปหาพ่อหาแม่ไปที่บ้านก็จาไม่ได้ไม่มีใครอยู่เดินไปเดินไปก็เห็นพ่อและแม่สองคนนั่งโยนในซอย ท่านก็ไปยืนดูเอ๊ใ่พ่อใจแม่แลราไหมทำไมพร้อมเหลือเกินทำไมเสื้อผ้าสกรปรกมามแยมโยมมารดาผู้เป็นแม่นี่ลุกขึ้นก็บอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปปรดข้างหน้าเธอพวกฉันไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกพวกฉันทุกยากที่อื่นเธอท่านก็ยังยืนอยู่โยมพ่อโยมแม่ก็คิดว่าพระมาบินพบาตธรรมดามายืนรอให้ใส่บาตรท่านก็ลุกขึ้นผู้ว่านิมนต์ไปปรดข้างหน้าเธอไปรับทางอื่นเธอที่นี่ไม่มีใส่ให้เราทุกยากลาบาก ที่สุนมจำเสียงผู้เป็นมารดาได้ก็ เ, เดินเข้าไปส่วนผู้เป็นพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ลูกชายเราหรือจึงมายืนอยู่นา น, านังก็ลุกมาดูสองคนพ่อมาเห็นกันทั้งสามพ่อแม่ลูกก็ร้องไห้ใส่กันแม่เอ้ยพ่อเอ้ยทุกข์ยากเหลือเกินเนาะพ่อแม่ก็ดีใจร้องไห้ทั้งดีใจได้เห็นลูกพ่อแม่ไม่ต้องเป็นทุกข์แบบนี้ต่อไปลูกจะเลี้ยงโดก็เลยเอาข้าวในบาตเอาอาหารมาให้กินพ่อแม่ได้กิน หลังจากนั้นภิกษุหนุ่มนี้ไปได้ผ่าบางสกุลใครถวายผ้าขาวมาห้านก็เอามาเย็บด้วยมือของท่านเป็นกางเกงเป็นผ้าทุงเอามาให้พ่อให้แม่ใสบินธบานมาให้พ่อแม่กินจนตนเองพร้อมลงพร้อมลงเพาะบางวันได้น้อยพ่อแม่กินหมดตนเองไม่ได้กินบางวันเหลือน้อยแม่อิ่มท่านก็พร้อมลงพร้อมลงภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าทําไมท่านจึงพร้อมจึงเหลืองอย่างนี้ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนผมอยู่ในป่าผมอ้วนท้วนสมบูรณ์เดี๋ยนี้ผมต้องบินธบานเลี้ยงพ่อเดี้ยงแม่สองคน เมื่อเหลือจากพ่อจากแม่จึงได้กินมันจึงพร้อมลงพร้อมลงเป็นโลคขาดอาหารพระ อ, องนี้ก็เลยโจกการกันใหญ่เลยว่าท่านทําผิดสแลบบินทบานมาเอาไปให้คนอื่นกินเป็นการเหยียบย่ําทําลายน้ําใจทํา้ายของทางคนอื่นเป็นอาบัติพระพุทธเจ้าท่านตีดินว่าแล้วก็ไปฟอ้องพระพุทธเจ้าพิสูจน์จำนวนมากพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาพอเรียกมาแล้วก็ถามก็เป็นความจริง แล้วพุทธเจ้ายังยกมือขึ้นส า, สาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วลูกเอ้ยเธอได้ดำเนินตามเส้นทางอันเดียวกับเราเธอได้ดำลงอยู่ในจริยาวัดอันเดียวกับเราแม่เราเองก็เคยทําอย่างนี้มาแล้วเรานั่นสมัยก่อนเป็นฟูวันนะสามพ่อแม่เราสองคนตาบอดเราหาพ่อแม่ใจตะกาไปเลี้ยงอยู่ในป่าเราเองก็เป็นดาบดด้วย พ่อแม่อยากอาบน้ําแล้วก็หาบใส่บาไปอาบน้ําเธอก็ได้ทําอย่างเดียวกับเราเป็นการดําเนินเส้นทางเดียวกันกับเราสาธุภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายผู้ไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่ดีก็จะเึกออกไปเธอจงบินทบาดมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอใครจะดำหนีติเตียนทั้งโลกเธอก็จงยอมยอมสีสละสัก์สีให้เขาด่าให้เขาดูโถกว่าไม่มีทางเลี้ยง เธอทําได้อย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีใจสูงเดี๋ยวนี้เรากลัวชาวบ้านจะนินทาไอ้ความกลัวว่าจะนินทานั้นคือความเห็นแก่ตัวเราว่ะเราไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีอาตามาเนี่คิดว่าผมวเด็ดตีนขาดไม่มีกินจะบินถบาทเรียงแม่เรียงพอ่อจ้างก็ไม่เป็นศึกมันออกไปดอกไม่มีเมืองนี้อย่าไปบินถบาทเมืองนอกเมืองฝรั่งนู้เพราะมีความรักเหลือเกินในการบทนี่ พระพุเจ้ากล่าวว่าอภิเจรพนมาทายานาคาโรปริปัจเชอันยังวิหิงสยังโลกอภิรักเชนตังวาลังนี้จะบวชเที่ยวขอทานอุ้มบาตดินขอทานเขากินเลี้ยงจีบใบเบียดเบียนผู้ใดชีวิตอย่างนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกประเสริฐจริงๆเพราะเหตุ น, นั้นการบวชนี้ยังแทนคุณทางวัตถุก็ได้อีกด้วยนะมีอาหารว้านข้าวมีอะไรจะจุนเจอือช่วยเหลือพ่อแม่ ของตนเองที่ทุกอย่างลาบากนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตแต่ไม่ใช่ว่าไปหามาแล้ว ข, ขายไปสร้างบ้านสร้างช่องใหญ่ๆให้แก่พอ่อแก่แม่แล้วก็ลงตึกลงล้านอย่างไรไม่ได้นะหมายความว่าไม่มีทางเลือกไป ม, มีทางเลือกแต่นี้บางบางคนนะสร้างบ้านให้พอ่อแม่หลังใหญ่ๆหญ่แล้วก็มั่งมีซีสุกเอาเงินชาวบ้านที่ถวายมา ยังไม่พอเอาไปเอามาตัวเองก็เสรดไปอยู่บ้านหลังนั้นหาเมียมานอนน้ำมันเป็นเสยอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้นึกถึงพระโควิสุธทธิญาณสนทรท่านอยู่ที่วัดประทุมวนารามกรุงเทพท่านองค์นี้สร้างโรงพยาบาลไม่รู้กี่โรงพัาบาลโยมมีความศรัทธาท่านมากเลยในกรุงเทพนี้ไม่รู้กี่ล้านมาสะวันหนึ่งท่านนิมนต์อาตมาไปเทศไปฉันที่บ้านพอ่อบ้านแม่ของท่าน ท, ที่ที่หมู่บ้านน้อยๆเนี่ยเผื่อบ้านหมอก นึกว่าท่านบ้านพอบ้านแม่ของท่านคงจะหลังแก่โตโอ้ยหลังน้อยนะ้อยซ้ําซอ้ออยู่ยังนี้นก็ยังงั้นนี่แสดงว่าสิ่งที่ท่านโยมศรัทธาบริจาคอะไรมาท่านทําประโยชน์ส่วนรัวโมดพ่อแม่ของท่านพออยู่ได้ท่านก็ปล่อยอยู่ไปกับลูกกับเต่าคนอื่นส่วนพ่อบ้แม่ก็มีความสุขใจสบายใจที่ลูกได้บวชได้สร้างคุณงาหความดีไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ไม่น้อยกว่านั้นในเนื้อในตัวของพระครวิสุทิ์นั้นก็คือ